เกี่ยวกับบทสวดฉบับปรับปรุงใหม่หลังจากที่มีคนเอาไปสวดจำนวนมากนะครับพบว่าส่งผลดีกับชีวิตหลายด้านโดยเฉพาะคนทำบุญเป็นประจำหรือมีบุญเก่ามากการสวดมนต์แบบเข้าใจความหมายและการอธิษฐานจิตที่ถูกทางจะเปรียบเสมือนมีรหัส ATM ไปกดเงินที่เราเคยฝากไว้มาใช้ได้คนจำนวนมากนะครับทําบุญทําความดีไว้มากและชีวิตเจอปัญหาไม่จบสิ้นเปรียบคล้ายคนฝากเงินในธนาคารทุกวันแต่ดันไม่รู้รหัส ATM พอเดือดร้อนจะไปถอนเงินก็ไม่สามารถถอนได้สิ่งที่หลายคนบอกมาหลังจากสวดบทนี้ก็คือเกิดปีติมีความสุขมากขึ้นทุกในใจเบาบางลง หลายคนก็แก้ปัญหาให้ตนเองได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าอย่าสวดเพราะหวังจะได้อะไรนะครับบทนี้เป็นการอธิษฐานจิตเพื่อการสำนึกผิดและบูชาคุณผู้มีพระคุณซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลพลอยได้ให้เกิดพลังงานดีในตัวและส่งสิ่งดีๆเข้าหาเราภายหลังจะได้ผลมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าด้วยอย่างที่บอกว่า เห็นผลเร็วมากกับคนที่ทำความดีประจําหรือมีบุญเก่าไว้มากพอเพราะว่าถ้าเราไม่มีบุญเก่าการสวดมนต์ของใหม่ก็คงยากนะครับที่จะไปดึงเอาของเก่ามาส่งผลได้รวดเร็วเต็มที่การสวดให้เป็นประจําเริ่มต้นแต่วันนี้ทำไปเรื่อยๆสวดหนึ่งวันคุณก็สะสมบุญเป็นหนึ่งวันและเมื่อบุญคุณมากพอนั่นแหละการอธิษฐานจิตที่คุณอยากได้สิ่งต่าง ก็จะมีผลจิตของเรามีพลังมากกว่าที่คิดเยอะนะครับมันสามารถสร้างอะไรและดึงอะไรมาให้เราได้อย่างที่คุณจะต้องแปลกใจเลยทีเดียวสำหรับการสวดนะครับสำคัญที่สุดคือสวดต้องมีสติและจิตต้องน้อมไปตามบทสวดทุกคำด้วยเรื่องศีลแม้จะรักษาได้ไม่ครบก็ให้สวดแบบนี้ไปก่อนนะครับและให้ระลึกว่า เราตั้งใจทําข้อที่เราทําได้แน่นอนแต่อนาคตจะเลิกข้ออื่นให้ได้เด็ดขาดการสวดทุกวันจะทําให้เวลาเราจะผิดศีลจะมีสติเกิดขึ้นมากั้นไว้ให้อยู่ดีๆจะรู้สึกว่าเออเพิ่งสัญญาว่าจะไม่ทําและจะทําให้เราช ง, งักอยากจะลดละเลิกซึ่งอาจจะค่อยเป็นค่อยไปมันก็ยังดีกว่าที่เราจะปิดกั้นตัวเองไม่ตั้งใจรักษาเลย และศีลเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในการนำมาอธิษฐานจิตอย่างน้อยก็ให้ระลึกว่าระหว่างสวดหรือในช่วงเวลาหนึ่งในระหว่างวันเช่นภายในชั่วโมงนี้เราจะไม่ละเมิดศีลแน่นอนก็เป็นกุสโลบายที่ดีที่จะเป็นขั้นแรกของการรักษาศีลได้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปในอนาคตนะครับศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา เน้นทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นกุศลไม่ได้ทำเพื่อหวังผลตอบแทนและเน้นความเข้าใจแล้วคุณจะสวดมนต์แบบไม่เข้าใจไปอีกนานแค่ไหนเหมือนการบอกรักโดยไม่เข้าใจความหมายสันระเสริญคุณพระรัตนไกรแต่ดันแปลไม่ออกใจคุณน้อมไปแค่ไหนบทสวดภาษาไทยจะเหมาะกับคารวาสและคนรุ่นใหม่เป็นพิเศษส่วนบาลีก็เอาไว้สวดในวัด หรือให้พระท่านสวดไปเถอะครับทดลองสวดเปรียบเทียบกันแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างของพลังทางใจที่ต่างกันคนพุทธในรุ่นหลังเนี่ยเป็นศาสนาเดียวที่ประหลาดที่สุดในโลกที่สวดมนต์แล้วแปลไม่ออกแทนที่จะเน้นทำความเข้าใจในสิ่งที่สวดกลับคิดไปว่าเป็นสิ่งที่คลังและทำแล้วจะได้บุญจะโชคดีในขณะที่ทุกศาสนา เขาสวดและแปลได้สวดแล้วเข้าใจเน้นสวดเพื่อท่องจำคำสอนและเน้นบูชาคุณของพระศัสดา ข, ของเขาเท่านั้นแล้วเราจะปล่อยลูกหลานเราเนี่ยสวดมนต์แบบเข้าไม่ถึงความหมายไปอีกนานแค่ไหนกันล่ะครับการไม่เข้าใจความหมายทำให้ศาสนากลายเป็นแค่พิธีการคนไทยทำบุญเก่งแต่จะมีสักกี่คนเข้าใจในแก่นและหลักการของพระศาสนาได้จริง ท้ายศา ส, สนาก็เป็นได้แค่ประเพณีที่เอาไว้ทําบุญเพื่อหวังผลบุญในวันสําคัญเท่านั้นเหรือครับสําหรับการสวดมนต์บทนี้อย่างที่บอกนะครับบางคนที่ทํากรรมไม่ดีมามากหรือทําบุญมาน้อยก็ต้องอดทนใช้เวลานะครับเราจะไปสําเร็จเหมือนคนที่เข้าทำมามากกว่าเรามันก็เป็นไปไม่ได้ แล้วมันก็คงไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าเพื่อนคนหนึ่งขยันอีกคนขี้เกียจมาตลอดและอยู่ดีๆจะได้ผลลัพธ์เหมือนกันขอให้อดทนทำความดีไปเถอะครับรับรองได้ว่าถ้าคุณยังมีศรัทธาและตั้งมั่นในการทำความดีคุณจะได้พบความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าในปัจจุบันอย่างแน่นอนในชาตินี้แต่พอชีวิตประสบความสาเร็จอย่างที่หวังก็ไม่ควรหยุดสวดมนต์นะครับควรจะสวดไปเรื่อยๆ บุญกุศลก็ไม่ต่างกับอาหารที่เราจำเป็นต้องกินทุกวันถ้าคุณขาดข้าวขาดน้ำไม่นานคุณก็ตายเช่นกันถ้าคุณขาดบุญขาดกุศลขาดพลังจิตที่สว่างผ่องใสไม่นานคุณก็จะล่มจมไปตามสภาวะทางจิตที่คุณมีนั่นเองบทสวดบทนี้นะครับเป็นการรวบรวมสิ่งที่ควรปลูกฝังในใจ เป็นการเทริดพระคุณและกราบขอขมาพระรัตนตรัยการสมาทานศีลการขออโหสิกรรมการแผ่เมตตาถอนคำสาบานถอนการจองเวรการอธิษฐานจิตสำคัญมากนะครับการแค่อ่านหรือท่องหรือฟังบทสวดบทนี้ทุกวันจะมีผลสู่จิตใต้สำนึกซึ่งเป็นตัวบงการชีวิตของเราทั้งชาตินี้และชาติหน้าเหมือนหากเราบ่นทุกวันว่าฉันเป็นมะเร็ง จะเกิดก้อนมะเร็งขึ้นมาจริงๆได้การพูดสิ่งที่เป็นมงคลก็จะส่งให้เกิดมงคลขึ้นมาในใจบทนี้อาจจะดูค่อนข้างยาวสำหรับคนมาใหม่แต่ก็เพียงสี่หน้า A4 สีเท่านั้นอยากบอกว่าหากแค่เนี้ยยังสวดไม่ได้ยังคิดว่ายาวเกินไปชาตินี้ชีวิตนี้ก็ไม่ต้องไปทำอะไรที่มันยากกว่านี้แล้วนะครับ ซึ่งงานวิจัยระบุว่าการสวดมนต์เกิน15นาทีขึ้นไปจะส่งผลต่อสมองให้หลั่งสารเคมีดีๆออกมาหากเริ่มต้นชีวิตด้วยการอธิษฐานจิตในสิ่งที่เป็นมงคลชีวิตก็จะประกอบด้วยมงคลจะดึงดูดเอาสิ่งดีๆคนดีๆมาให้ทั้งวันดังนั้นควรสละเวลาตื่นเช้าอีกนิดสละเวลาก่อนนอนสักหน่อยเพื่อสวดมนต์บทนี้ หรือแม้แต่จะอ่านหรือฟังระหว่างนั่งรถไปเรียนไปทำงานก็ยังส่งผลดีได้เช่นเดียวกันครับเพราะสำคัญที่สุดคือใจที่น้อมตามบทสวดเข้าใจบทสวดและดำเนินจิตไปตามความหมายของบทสวดหากไม่ได้นั่งสวดอยู่จะใช้การกราบด้วยการยกมือขึ้นหรือกราบในใจก็ได้นะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทสวดนี้คงเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็ น, น้อยนะครับขอเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่กำลังมีปัญหาชีวิตขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเถิดนะครับว่าความดีและใจที่ผ่องใสเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาและนำชีวิตของพวกเราไปสู่แสงสว่างและความสุขอย่างยั่งยืนได้จริงขอทุกท่านเจริญในทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ